มดกับตะ ก, กะแตนโอ้พระอาทิตย์หลบเย็นโอ้ยาด้วยใครจะไม่ชอบล่ะเนี่ยหน้าร้อนมาแล้วเยี่ยมเลยยาสีเขียวผลไม้และก็ยาเข้าไปอีกนี่คือดากูดากูคือตะกะแตนที่ชอบร้องรำทำเพลงเล่นสนุกและไม่ทำอะไรเลยนอกจากนอนเล่น เขารักหน้าร้อนและหญ้าเขียวเขียวรากูเป็นตกกะกแตนแสนสุกโอ้ฉันชมหน่าร้อนมากหญ้าสดสดผลไม้ฉ่ำฉ่ำผลไม้เดินได้เอ๊ะนั่นทําไมทําไมผลไม้เดินอยู่รากูกลัวเขาค่อยๆข ย, ยับออกห่างผลไม้เดินได้เพราะกลัว <c oughs> นี่ ผ, ผลผลไม้บอกมานะ นายเป็นใครเนี่ยผีเหรอหรือว่า ม, มนดำน่ะผลไมค้ค่อยค่อยขยับเข้าหารากูค่อยค่อยขยับผ่านพื้นสีเขียวเรื่อยเรื่อยและทันใดนั้นช่วยด้วยช่วยด้วยผลไม้วิ่งมาหาฉันอ่ะช่วยด้วยผลไมก้กาลังทำร้ายฉันเดี๋ยวนะมันเสียงอะไรอ่ะ เมื่อรากูฟังดีๆเขาก็ได้ยินเสียงหัวระคิกคักและนั่นไงเขาก็เห็นมดสิบสองตัวใต้ผลไม้ช่วยด้วยช่วยด้วยผลไมก้กำลังจมดิฉันกลัวผลไม้หรือไงรากอคือเออหู ฉันไม่กลัวไม่รู้เหรอฉันคือตะกตั่แตนฉันควรจะวิ่งและกระโดดเฮแยละคุณราคูแน่ใจเหรอว่าไม่ได้กลัวผลล้ <c oughs> มใบแมวนะการกระโดดคือหน้าที่ของฉันนะเจ้ามดโง่เหมือนที่พวกนายต้องใช้มาเป็นฝูงเพื่อจะแค่ยกผลไม้ชิ้นเดียวนี่แหละ <c oughs> ฉันตัวใหญ่และก็มีพลังฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วยขนผลไมห้หรอกในถามซิเจ้าตัวเล็กพวกนายต้องให้เพื่อนช่วยกินมาจนหมดไหมตลกตายเลยล่ะกูแต่เราไม่ได้ขนมันไปกินและเอามันไปสะสมดูนั่นสิและพวกมันก็สะสมกันจริงๆเมื่อมดชี้ไป รากูเห็นมดมากกว่า1โหล ก, กำลังขนผลไม้กันอยู่เป็นแถวไปที่รูใหญ่ในพื้นพวกมันขนมะเขือเทศเบอร์รี่ข้าวโพดและแครอทเล็กด้วยพวกมดเอาผลไม้ไปหยอนใส่หลุมแล้วกลับไปขนเพิ่มแถวของมดยาวไม่ขาดสายสุดตาตอนนี้รากูเริ่มอยากรู้นี่พวกนายกำลังทำอะไรเนี่ยเอาผลไม้ไปโยนในรูนั่นทาไมอะ ผลไม้มันเน่าอย่างนั้นเหรอ อ, อไม่ไม่มีทางเลยเรากําลังเก็บผลไม้เอาไว้อีกไม่นานหน้าร้อ น, นจะผ่านไปและหน้าหนาวจะเข้ามาผลไม้และใบไม้จะหายไปหมดเราต้องเตรียมตัวเอาไว้ไม่งั้นก็หิวแย่ yeah, สิรกักูนายต้องเก็บอาหารไว้ด้วยนะผละไม้กับยาพวกนี้เดี๋ยวมันก็จะหายไปแล้ว ผู้นายตัวเล็กมากอะผู้นายก็เลยต้องใช้ทั้งฤดูในการเก็บอาหารอะนะส่วนฉันเนี่ยใช้เวลาไม่กี่วันก็ทําได้จนถึงตอนนั้นฉันขอสุขกับลมเย็นเย็นและหญ้าริมแม่น้ําก่อนละหมดรู้ว่ารากูกําลังทําผิดแต่พวกมันรู้ว่ารากูจะไม่มีทางฟังพวกมันพวกมันก็เลยเดินทางต่อหลังจากที่บอกลาให้รากูโชคดี เจ้าพวกมดเด๋เนี่ยกำลังพลาดฤดูที่สวยงามฤ ด, ดูหนาวไม่ได้ทำให้โลกแตกซะหน่อยเรายังไงก็ไม่ตายกันอยู่แล้วต้องมีอะไรกินแน่นอนจะไปห่วงพรุ่งนี้ทำไมเล่าโถ่รากูไม่ฟังคำแนะนำของมดเขากระโดดทั้งวันและกินหญ้าสดๆเขานอนแช่ที่แม่น้ำแล้วก็ผิวปากไม่สนใจใครผ่านไปหลายสัปดาห์ รากูอ้วนขึ้นวันหนึ่งที่เขากำลังนอนอยู่บนหญ้าชั้นหนานุ่มเขาก็เห็นหมดแถวยาวกาลังขนใบไม้และกิ่งไม้ในพวกนายทาอะไรเนี่ยเจ้ากิ่งไม้กับใบไม้ไปทาอะไรกันเราจะเอามันไปทาให้เราสบายอบอุ่นตอนหน้าหนาวเธอต้องเก็บมันด้วยหนะ้ารากูหน้าหนาวจะหนาวมากๆเลย <c oughs> <c oughs> หน้านามนก็ต้องหนาวเสมออยู่แล้วยัยโง่อเอ้ยเธอนี่มีเค่หลายตัวพวกเธอก็จะต้องทำงานหนักนะแต่ฉันมีแค่ตัวเดียวฉันก็เลยหาอะไรได้แน่นอนอยู่แล้วมดรู้ว่ารากูจะไม่ฟังเธอเธอเลยหันกลับไปและตอนนั้นเองโอ๊ยขาฉันนะขาฉันเอ้เป็นอะไรเนะี่ยเธอโอเคนะ อฉันเจ็บขาฉันเดินไม่ได้แล้วโอ้มา น, นี่เราจะพาเธอกลับบ้านไม่บ้านไกลมากแล้วพวกเธอก็มีกิ่งไม้ต้องขนไปไม่เป็นไรหรอกนายมานั่งหลังฉันนะฉันจะบินพานายไปส่งบ้านโอ้จริงเหรอนาจะช่วยฉันเหรอทำไมจะไม่ได้แล้วมานั่งสิมะดากูบินออกไปกับมดขีหลังเขา มดไม่เคยรู้สึกมีความสุขแบบนี้มาก่อนเขาเห็นพื้นที่สีเขียวน้ำตกและแม่น้ำรู้สึกถึงลมเย็นกระทบหน้าและเมื่อเขาถึงบ้านรากูก็เห็นมดอย่างน้อย100ตัวที่กำลังโยนกิ่งไม้ ก, กับใบไม้ลงไปในหลุมใหญ่รากูแปลกใจเขานั่งลมและมดก็ไหลลงจากหลังอขอบคุณมากนะลาก โอเคเจ้ามดน้อยขอให้สนุกสนานนะไปได้แล้วดูแลขาตัวเองให้ดีด้วยสวัสดีรากูเธอเริ่มเก็บใบไม้กับอาหารหรือยังตอนหน้าหนาวเธอจะอยู่ไหนโอ้ฉันเนี่ยตัวใหญ่มีพลังฉันหาอะไรได้แหละตอนหน้าหนาวทำไมจะต้องห่วงพรุ่งนี้ด้วยหลายวันผ่านไปหน้าร้อนเริ่มหมดลงต้นไม้เริ่มผลัดใบ และย้าก็เริ่มเปลี่ยนสีและรากูก็อ้วนขึ้นทุกวันทุกวันเขานอนในานา้ำบนใบไม้แห้งมองท้องฟ้าสดใสกินใบไม้เล็กๆที่ยังคงเหลือไม่เห็นเจ้าพวกมดเลยบางทีพวกเขาก็อาจจะฟังเราแล้วก็ไปสนุกสสานกับหน้าร้อนละมั้งมันก็เหลือไม่กี่วันแล้วพวกเขาพลาดอะไรไปตั้งเยอะมากเลย หลังจากนั้นหน้าหนาวก็มาหิมะคลุมทั้งพื้นที่หญ้าสีเขียวกับผลไม้หายไปรากูตามหาใบาไม้สีเขียวแต่เขาหาไม่ได้เลยเขาหาที่อบอุ่นอยู่แต่หิมะก็ทับถมกันเป็นชั้นขึ้นมาทับผิวดินหลายสัปดาห์ผ่านไปรากูพร้อมลงอ่อนแอลงทุกวันเขาไม่มีที่พักไม่มีอาหาร เขาจำคำเตือนของมดได้ว่ามดเอาอาหารกับใบไม้เก็บไว้ใต้ดินเขาก็เลยไปเคาะประตูบ้านพวกมดเฮ้ยเฮ้ยหนาวมีใครอยู่บ้างไหมอะใครเนีเ่ยอออรากุเธอเป็นอะไรไปข้างนอกอหนาวมากเลยฉันหิว เธอมีที่พักกับอาหารให้ฉันบ้างไหมเอาหน่หนาวก็ต้องหนาวสิเดอจริงเธอไม่ใช่หรอที่เคยหัวเราะฉันแล้วเอาแต่พูดแบบนี้เธอเป็นคนที่เอาแต่พูดว่าทำไมจะต้องห่วงวันพรุ่งนี้และตอนนี้เป็นยังไงละ่ะเฮ้ยตอนนี้ฉันเข้าใจให้ความผิดฉันแล้วฉันควรจะเตรียมตัวรับหน้าหนาวได้ปลอดใช่ก็อาหารให้ฉันหน่อยมันทาให้เกิดความพูดนวา ดรชินีมดกับมดตัวอื่นๆก็ออกมาจากรูเรามีอาหารของเรากินกันพอดีและต่อให้เรายอมแบ่งให้นายและก็เราไปข้างลังไม่ได้อยู่ดีข้างล่างมันไม่ใหญ่พอแต่ว่าฉันโอ้นี่ไหนเป็นอะไรไปรากูเป็นลมสลบไปบนพืน้นอ๋อไม่นะเราต้องช่วยเขาไม่ไงั้นเขาจะหิวตาย ยังไงแล้วเขาก็เคยช่วยฉันตอนที่ฉันขาหาักนะี่ยมดอธิบายให้ราชินีฟังเขาอธิบายว่ารากูช่วยเขาตอนเด็กๆอืเอาใบไม้เล็กๆมาห่อเขาไว้แล้วก็สร้างบ้านเล็กๆให้เขาจากกิ่งไม้ที่เรามีแล้วก็เรามีอาหารมากพอเราแบ่งให้เขาได้ มดห่อตัวรากูด้วยใบไม้ให้เขาอุ่นพวกเขาสร้างบ้านจากกิ่งไม้อย่างฉลาดแล้วเอารากูเข้าไปข้างในเสิร์ฟซุปร้อนๆให้กับรากูกินแล้วก็ผลไม้ไม่นานรากูก็แข็งแรงเหมือนเดิมขอบคุณทาราชินีกอบคณที่ช่วยผมผมเป็นหนี้ชีวิตท่านเธอเป็นมแมลงที่ดีรากูเธอช่วยคนของฉันเอาไว้ เราจะช่วยเธอแน่นอนแต่จำเอาไว้นะเตรียมตัวไว้สำหรับอนาคตเสมอผมรู้แล้วท่านราธินีเราไม่ควรจะห่วงกังวลแต่ควรจะเตรียมพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้เสมอแล้วก็อย่าขี้เกียจ ด, ด้วย